ปฏิทินของวัดบวรทางวัดบวรเขาท่านกำหนดมาว่าตามปกติเขาจะลงโหโบสถวันสิบห้าค่ำสิบแรงสิบสี่ค่ำเพนสิบห้าค่ำเรือเดือนกลางเดือนปลายเดือนแต่ทางวัดบวรบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมันยังไม่พระยันพระจันยังไม่เต็มดวงแต่วันนี้นะ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 เป็นผู้มีพระคุณสําหรั บ, บวงการครูบาอาจารย์พระกรรมฐานถ้าใครไม่รู้จักเท่าแ ก, ก่กคกหงสนะ์น่ะไม่มีหรอกฮะเหมือนกับไม่มีใครไม่รู้จักเท่าแ ก, ก่กิมกายไม่มีฮะในวงกรรมฐานของเราแต่ในท่านก็ได้บวชแต่ท่านก็ทําบุญทุกปีวันที่หนึ่งกรกดานะเป็นทําบุญ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 กิพายนะเดือดร้อนนะเอเพราะอะไรถ้าวางตัวไม่ถูกกับพ่อกับแม่วางตัวไม่ถูกกับทิศเบื้องหน้านะอถ้าเมื่อเบือเบ้องหน้าทิศเบื้องน้าพ่อแม่ไม่ให้ความสําคัญอไล่ออกจากกองมะะรดกอย่ามาใกล้เรานะอลูกอย่างนี้ไม่ใช่ลูกของเราหรอกเกเลอย่างนี้อมีแต่จกทำร้ายทำร้ายพ่อแม่อย่างนี้นะออย่ามาใกล้นัอนจะไปยังไงล่ะ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 พึ่งพาอาศัยกันได้ยิ่งกว่าสามีภรรยาถ้ามีสามีภรรยามีน้ําใจมีความรักพักดีไม่มีเมตตาต่อกันครอบครัวนั้นก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะอะไรเพราะไว้เนื้อเชื่อใจกันไว้วางใจกันพึ่งเป็นพึ่งตายกันในสามีภรรยาเนี่ยนั่นแนหะสามีภรรยาเพราะว่าพ่อแม่ของเราถึงท่านจะรักเราก็เถิบท่านก็อยู่ห่างนะแต่สามีภรรยาเนี่ย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 เทศเบืองซ้ายมิตรสหายคนเราต้องมีหมูมีเพื่อนมีมิตร ม, มีสหายถ้าว่าคนเราเกิดมาแล้วไม่มิตรไม่มีสหายนะไม่มีหมูมีเพื่อนที่ดีไม่มีกรัรยาณมิตนะรกัญยาณมิตรคือมิตรที่ดีปาปะมิตรคือมิตรชั่วนะเราต้องเลือกนะเาได้มิตรชั่วมากขนนะชักชวนไปในทางชิบหายเลยนะการพนันที่ไหน